ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายกรรมยายประสูทธ์ในวันนี้อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าเร mm hmm. าจนำท่านไปศึกษาเรื่องธรรมะที่ทรงสอนแก่พระเราคุณ mm hmm. วันก่อนได้พูดถึงในช่วงที่ท่านยัง mm hmm. เป็นสามเ็จน้อยๆ คำสอนก็มุ่งไปที่การขัดเกลาวการฝึกขัดควบคุมอาการทางกายทางวจจาทางใจจะดูจากการทำคนอื่นบ้างดูจากเราบ้างแล้วก็ย้อนไปพิจารณาถึงคนดีในอดีตปัจจุบันและแม้แต่ที่จะมีในอนาคตว่า มันมาจากหลักการอย่างเดียวกันคือการพยายามขัดเกลาปลืปืออบรมควบคุ ม, คมพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจในการสอนนั้นก็เริ่มมาจากให้ดูน้ำในกะลาต่อมาเมื่อพวราขุนโตแล้วตอนนั้นเป็นพระแล้ว เป็นพระกอายุยี่สิบนะฮะยี่สิบขึ้นไปเป็นท่านเป็นเป็นคนที่สนใจทั้งใจศึกษาเราเรียนปฏิบัติธรรมะแต่การบรรลุมรผลเป็นพระอาหารไม่เร็วกันะฮะแต่เราเทียบดูแล้วคนที่เร็วกว่าท่านก็มีมากแต่เด็ยังมุ่งไปที่การศึกษาเรียนรู้ เพราะว่าคำสั่งสอนของพระเจ้าของอุปัชฌายาอาจารย์เราหนึ่งพรเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชตวันพระเสด็จออกบินธบาตพระหุนก็ตามเสด็จไปพรเจ้าก็เดิ น, ดนไปนะพระเจ้าก็หันพระพักกลับมาบอกกับพระหุน พรหุ่นรูปยังใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดียากก็ดีละเอียกก็ดีเร็วก็ดีประหนีอยู่กลก็ดีอยู่ไกลก็ ด, กรกดีรูปนั้นจริงๆแล้วมันก็สักแต่ว่ารูปไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราให้เธอพิจารณาเห็นด้วยปัญญาเห็นชอบตามความจริงอย่างนี้ กระหูนก็กราบทูลถามว่าเฉพาะรูปอย่างเดียวนหรือแสดงให้เหน็นถึงแนวความสนใจที่จะศึกษาพระเจ้าบอกไม่ใช่รูปอย่างเดียวหรอกเวทนาสัญญาตั้งขารวิญญาณมันก็เหมือนกันแหละหลจากนั้นก็ทรงแสดงเรื่องร่างกายของเราว่าประกอบด้วยธาตุธาตุีย่ยกมาแสดงก็ทรงแสดงเป็นสี่ธาตุห้าธาตุ เดยให้เราหุนดูตรวจดูลักษณะที่แข็งแข็่งซึ่งมีอยู่ในร่างกายของเราที่ประกอบเป็นผมขนเลืฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่ในกระดูกม้าโมหัวใจตับปังปื้ไตปอดไยใหญ่ไยน้อยหันใหม่หันเก่าจนถึงมันสมองเพราสิ่งนี้เป็นอาการของทัดดินเตยจงพิจารณาดูที่ทัดดิน ว, ว่าจริงแล้วมันมก็ไม่เป็นของเราไม่เป็นเราไปเป็นตัวตนของเราหเห็นด้วยปัญญาชอบตามความจริงอย่างนี้แล้วก็ยกถัดน้ําขึ้นมาให้ดูร่างกายเราก็มีส่วนประกอบของถัดน้ําเำนน้ําลายน้ําเหงือ่อน้ําไข่ขอดน้ํำมูกน้ําตาเปรวมันเราถึงเลือดอะไรต่างๆที่ประกอบข้าวไปร่างกายเราก็เป็นน้ํา พวกน้ำเองที่มีอยู่ภายนอกก็าตามที่มีอยู่ภายในก็าตามม้วก็มีอยู่ในทุกคลทุกแห่งแต่ว่าน้านั้นก็ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเห็นด้วยปัญญาชอบตามความจริงอย่างนี้แล้วก็ต่อมาก็ต้องสอนดูที่ลมซึ่งมีอยู่ทั้งข้างในและข้างนอกแต่มองย้อนกลับมาที่ลมชีวิตเรานั้นก็ประกอบไปท่าตรง ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในท่าลมหายใจลมตามตัวแต่อย่างก็เป็นธาตุแม้ธาตุลมนั้นเองไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกก็าตามก็ไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งเราไม่เป็นทั้งตัวตนของเราแต่กายบุให้มาดูที่ธาตุไฟร่างกายเรานั้นประกอบด้วยธาตุไฟ ไฟทํากายอบอุ่นไฟทํากายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารใน ย, ย่อยเป็นต้นเนี่ยฮะแล้วแต่ละอย่างก็เป็นธาตุไฟแต่ไฟเองก็ไม่เป็นท้งของเราไม่เป็นทั้งเราไม่เป็นตัวตนของเราก็าเห็นด้วยปัญญาชอบตามความจริงอย่างนี้แล้วก็พูดถึงอากาศแตธาตุซึ่งแทรกซึมอยู่ในส่วนต่างๆของดินน้ำลงไฟ ในช่องต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายทั้งช่องละเอียดแล้วก็ช่องหรือช่องที่ใหญ่แล้วก็ช่องที่เล็กๆตลอดถึงระหว่างเส้นทั้งหลายก็มีอากาศโดยทรงดูว่าร่างกายเรานั้นก็ประกอบด้วยอากาศสะท้นเราไม่เป็นหน้าของเราทั้งเราทั้งตัวตนของเราเหมือนกันพระหุนเป็นคนใคร่สนใจในการศึกษา ก็มาคิดว่าไม่มีคนฉลาดคนไหนหรอกที่เรางพ่อเจ้าประธานโอวาทตอนหน้าอย่างนี้แล้วยังมีโอกาสไปบินดาคืะบินบาบไปเห็นแก่อาหารหรือได้อาหารทำแล้วไม่ได้อาหารทางกายแล้วเลยกลับทุนลากลับเลยกลับก็ไปนั่งสมาธิพิจารณาถึงคําสอนเรื่องธาตุ เต่าทั้ง5ที่พระเจ้าทรงแสดงให้ดูทิ่ภาษารีบุตรนี่ตามปกติแล้วท่านออกปินดาบาดสายนะอาินทบาดออกที่หลังก็พระเ้าต้องเดินดูบริเวณวัดอะไรเรียบร้อยไม่เรียบร้อยเป็นยังไงอะไรทิ้งโสกโปกอยู่ท่านจะจัดการทำตัวเหมือนกับแม่บ้านนะฮนะดูแลความสะอาดเรียบร้อยของวัดท้งจึงออกออกปินทบาด ท, ทีหลัง ในขณะที่ท่านจะออกปิตะบาตมันก็เดินสวนมาเห็นพราหุ่นนั่งสมาธิท่านบอกเราหุน่นจเริญอาณาปานสติสิอานาปานาส ต, านาานาสตินั้นที่บุคคล อ, อ, อบรมกระทํใไม้มากกระทําบ่อยจะมีผลมีอานิสงส์มากรังุดชักชักงงเลย 菩萨 ส, สดาสอนให้มองธาตุสี่อุปัชยยะสอนให้เจริญอาณาปานสติจะเอาอย่างไงตกลงว่าตอนเย็นก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ก, ก็กราบทูลถามถึงเรื่องการเจริญอาณาปานสติว่าปฏิบัติอย่างไงมีผลมียนิสูงอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรเพราะว่าภาษาดิบท่านบอกเฉยๆว่าเจริญอาณาปานสติแต่ก็ไม่ให้รายละเอียด พระเจ้าแทนที่จะเทศเรื่องอนาปานสติก็ทรงกลับมาที่เดิมนะครับกลับไปที่เดิมแต่มีวิธีสอนแนวใหม่คือให้ทําใจเหมือนกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทา่านอากาศแล้วก็ให้มาดูที่ร่างกายให้ดูถึงความไม่เที่ยงของร่างกายแล้วก็มาวอกข้าวเตียนาปานสติแล้จบลงด้วยการเทศอนาปานสติเรื่องนี้จะเป็นเรื่องยาวนะ ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นธรรมะที่ทรงแสดงในตอนแรกก็แสดงระดับสูงเป็นอุดมการนะฮะเป็นอุดมการในการปฏิบัติในช่วงแรกจังถือเป็นเรื่องใหญ่ามากมันไม่ใช่รู้เห็นได้ง่ายนะทีนี้ปัญหาถาม่าทำไมเดิมบิดาบัตเด็กทหารประเทศ ไดที่จริงพระเจ้าท่านเทพตามสมควรแก่อัตยาศัยของคนอย่างที่เคยบอกท่านเสมอว่าจริงๆมันไม่มีรูปแบบะในพระพุทธศาสนาเนี่ยแต่ว่าเราไปสร้างรูปแบบขึ้นเองรูปแบบพอสร้างขึ้ น, นสร้างไปสร้างมามันก็กลายเป็นอุปสรรคข ข, ขวางการติดต่อ ก, กันระหว่างพระกับชาวบ้านแต่พอมีปัญหา จะเกิดขึ้นในสังคมมันก็ด่าพระนะไม่จะด่าใครแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่มีโอกาสคือสังคมไม่ไม่ให้โอกาสศาสนามีส่วนร่วมเพราะถูกปิดกั้นเอาไว้พระเจะเทศญาติยโยมก็ต้องอาราธนาต้องปรุ ม, มาต้องอาราธนาธรรมฉะนั้นไม่มีโอกาสเทศแล้วก็สร้างรูปแบบอะไรกินอีกเยอะ จะต้องมีเครื่องบูชากันเทศจะต้องมีดอกไม้จะต้องมีติดกันเทศโอ้อยอะไรรุงรางจังเลยจะเทศได้สักทีก็แย่เลยคือทําให้โอกาสที่พระจะกล่าวธรรมะจะสอนธรรมะเนี่ยมันไม่มีอะครเมื่อไปติดในรูปแบบพระท่านก็ไม่กล้าไม่กล้าจะพูดแล้วก็สิ่งที่เราใช้มันก็เป็นเรื่องของศาสนาพิธี พระก็สวดเป็นภาษาบาลีเราก็ด่าอีกสววฟังไม่รู้เรื่องเนีย่ยราจะทำยไงมนน่าจะแปลอ่าผมพระเทศไม่ยอมฟังอีกสวดเป็นภาษาบาลีบอกกัฟังไม่รู้เรื่องพมพระเทศก็บอกฟังไม่รู้เรื่องพระใายภาษายากไปหรือจะเอายังไงอ่ะเอาใจยากจังเลยแล้วก็ผลงานทาก็โยนในพระนั่นน่นนซึ่งเป็นเรื่องที่ ที่น่าเสียดายนะน่าเสียดายโอกาสว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเราไม่ได้มีส่วนร่วมกันแก้แต่ว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยมันมันไม่มีรูปแบบอะไรพุทธเจ้าท่านตรวจดูสัตว์โลกใครมีปัญหาก็เสด็จไปโปรดร่วมกันเช้าเลยไปถึงก็พูดกันเลยก็แล้วแต่ก็อยู่ตรงไหนบางทีก็นั่งตกเบ็ดอยู่ก็ไปนั่งคุยกับเขาดีก็สายนาก็าไปยืนคุยกับเขา ก็ไม่มีรูปแบบว่าจะต้อ ง, ต, องต้องอารัธนาจะต้องพรมมาจะต้องมีเตรียมที่อาสนะจะต้องตั้งหงาอน้ำมนตขันมนม์มันไม่มีอะไรอ่ะมันได้มีอะไรรุงรังอย่างนั้นนะครเพราะจริงๆเนื้อหาของศาสนาก็คือาศาสนธรรมการศึกษาการปฏิบัติการรับขนของาศาสนธรรมเนื้อหาเนื้อหาจริงๆมันอยู่ตรงนั้นมันมีปริญญาติปฏิบัติปฏิเวท ปริยัติคือคือการศึกษาเราก็ฟังปฏิบัติก็คือนาําไปปฏิบัติปฏิเวทมันก็ผลเกิดขึ้นจากการศึกษาปฏิบัติเมื่อวานไปพูดที่นครพนมผู้เสร็จกรีบกลับมาขึ้นเครื่องกันนะพระท่านจะขอต่อเวลาเลยม่กล้าต่อกวจะตกครึงบิดแต่พระท่านถามมานาะเราก็นึกคําว่าเป็นผู้ใหญ่นะอายุอามาแลนะ้วสักหกสิบท่านถามว่าสุ ป, ปฏิปันโนนะ ปฏิบัติอย่างไรมันเล่นกับพระทีเดียสุปฏิปโนมันสังกัดคุณนะ่ยะยังไม่รู้ปฏิบัติอย่างไงเรเดียวว่าสุปฏิปโนเลยก็ต้องอธิบายยืดเยื้อกันไปพอรุ่งควัญเนี่ยนะนี่แสดงอะไรแสดงว่าขาดประยัดขาดหลักของการประหยัคือการศึกษาแม้แต่พระเองก็ไม่ได้ศึกษาในประเด็นนี้เวลาปฏิบัติมันก็มัว่วเ่ย มไม่ได้ศึกษา ح, ปฏิบัติของก็มั่วไปหมดเอวันผลอย่าถึงก็เป็นปฏิเวทจะพูดถึงนิพพานกันเลยเอามากิเลตมันลดลดลงหน่อยนะฮะแต่ก็เกิดขึ้นยังไม่เค่ได้คือบางทีทั้งพระทั้งโยมแหละวังเทศกันจนเฒ่าจนแกนะ่กิเลสเพิ่มขึ้นตามไปเลยแทนที่จะลดกิเลสกิเลสเพิ่มตามมายุ ก็เพิ่มตามตำแหน่งเพิ่มตามยศโยมก็เพิ่มกิเลสตามเพิ่มขึตามอา ย, ยุเพราะเราไม่ได้มองในจุดนี้กันอย่างจริงๆถือว่าเป็นปัญหาใหญ่อ่ะคนะที่ที่จะต้องปรับปวดป่าทที่ต้องคิดกันตั้งย้อนกลับเข้าหาหลักการเนี่ยก็เป็นของพระพุทธ้าจริงๆเพราะในจุดนี้มันก็เกิดปัญหาคือปรากฏว่าพระราหูนี้นั่นเดินไปข้างหลังพระพุทธเจ้า กำลังรอนะฮะกำลังหนุ่มหล่อเดียวแล้วก็เดินโอ้โหแม่พระพุทธเจ้าที่งามสง่าจริงมาบริสราชนะนะฮะก็งามสงาจริงๆ ร, ร, นะริงก็ดูไปดูมาก็เพลินก็ติดในรูปพระพุทธเจ้าก็มองเพลนมองไปออกมามองที่ตัวเองเราก็ไม่เบาเราเบยกันก็ลูกพ่อก็หล่อนะแม่ก็สวยนะนก็ลูกก็หล่อ ก็ไม่พอเหมืนกันเพื่อในรูปเพื่อๆๆในรูปมันมันมันยุ่งนะฮะมันเริ่มมองที่ตัวเองเริ่มมองที่ตัวเองแล้วเริ่มจะดูแลทนุ่นถนอมตัวเองเปลื้ดตัวเองใจมันวิ่งออกข้างนอกอะไร แ, แเนี้ยพระรูปจ้าจึงต้องขาดมาเทศก็เพราะประหุนเริ่มเกิดการวิตตกนะฮะเกิดการวิตกในขณะบินตบาน มองที่พระพุทธเจ้าก็ไม่เคแปลกอะไรนะเพราะว่าใจมนก็เรื่องใจได้พมมองที่ตัวเองแล้วเนี่ยเราจะลืมว่าเราดีมันมันอัตตามันเยอะแต่วันติดที่ตัวเองอยู่เยอะแตที่มองตัวเองมันก็หลงตัวเองมันก็ติดตัวเองก็ปลนปลื้ตัวเองมารลงปลื้มตัวเองเราก็ต้องสแสวงหาสิมาปล้นปลื้นั่นก็คือพระวัตถุกรรมทั้งหลายมา ป, นป้นปืปวิสูตรอะ พระพุทธเจ้าจึงเทศสูงนะฮะเทศวิปัสนาเลยือนกลับมาถึงก็ให้มองรู้เพราะอะไรเพราะว่าใจคนเนี่ยมันวิ่งใจคนมันวิ่งอย่างที่ทั้งข้อสังเกตใ้ท่านทั้งหลายมองนะฮะองค์กรก็เป็นผู้ที่บังกอพาเลทมีคนผูข้าราชการพวกอะไรที่เตรียมตัวจะเกษียณอายุก่อนจะเกษียณตักงสามสี่ปีสองปีอย่างน้อยสองปีนะฮะ ก็อบอกว่ามันก็มีปัญหาเรนี้แปลกนะหัวข้อแนวนี้เกิดเกิดขึ้นมากคือการพยายามแสวงหาความสุขในสังคมที่มีแต่การบริโภคสังคมบริโภคังคมวัตถุเนี่ยฮะคนเริ่มมั่วแนละ้วสังคมวัตถุที่ใดแล้วคนมั่วที่นั้นทั้ทีเลยไม่มันไม่ใช่ยุคแรกคนไม่รู้สักกี่ยุคแล้วนะะยุคก่อนพุทธกาลของสังคมบริโภคยุคก่อนพระเจ้าเจวสูตรมาเป็นสังคมบริโภคเหมือนกัน พลนปลื้มบำรุงบำรเรื่องกามคุณกันมหาศาลมีหาเล็มนะฮะมีหาเล็มมีพลปลื้เรื่องเนี้ยฮะรูปเสียงกลิ่นรสประทับพระธรมรมารมณ์จนถึงว่าสวรรค์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสประทับพะธรรมารมณ์ขี้ประนีดใครมีมากๆ ม, มีหลากหลายมีวิจิตติสานก็ถือว่าเป็นสวรรค์ก็กลายเป็นสองี่ที่สู้กันอย่างแรงสมัยพุทธกาลก็ เ, เรียกว่าสมัยนั้น เ, เรียกโลกยัตนะโลกยัต รูกยยึตัเรียกเป็นรัตทิปจาราว่ากําหนดทุกอย่างไว้ทีวัตถุหมดอีกความหนึ่งก็คือจิตตนิยมที่ถือว่าจิตถูกขังอยู่ในกายเพราะงั้นคํามเทศนาชุดแรกเราจะมองธําเทศนาชุดแรกนะธรรมจารวัตนาสุดจึงตีตรงนี้ทั้งสองลายเลยเทเวเมพิกเวนะเทะเวเมพิกเวดูกรณนพิสูจน์ทั้งหลายทางสองทางบุคคลไม่ควรเตะคือการมาสุขกานิการนโยกอัตจิรามทานโยกเห็นไหมะ เอาตรงนี้ก่อนเลยเพราะปัญหามันมั่วที่สุดเลยนะจ๊คนรวยก็รวยมหาศาลจริงๆนะขนาดเราแพ้เป็นทองคำแล้วกันเนะเอาทองคำมาทําแพ้เล่นกันเนะีมันไม่รู้จะรวยยังไงอ่ะนะรวยจริงๆอย่างพวกพวกคนมีบุญเนี่ยพวกคนมีบุญสี่ห้าคนกรุงเทพจะคือรวยกว่าพระราชาซนะอีกรวยจริงๆมีที่นาเป็นแสนแสนไร่ มีโครประเภทที่เราเรียกว่ัสพะเนี่ยโครประเภทวสภัสพาเนี่ยโคมันอุสพาอัสพาวัสพาโคประเภทวสภัสพะเนี่ยหมายความเป็นจาวผงโคมีลูกฝูงหนึ่งแสนเซฐีนะเอียงโคเป็นแสนแสนไถนาทีหนึ่งลงล ง, ลงไถนาทีงเป็นร้อยร้อยคู่ใช้โครจริงนะฮะเดวาเร็วกว่าพวกรถไถเยอะเลยพราะแกลงทีหงเป็นห้าร้อยคู่ มากี่พันได้ผับเดือวไปไตห้าร้อยกูแล้วเปลี่ยนเฉพาะคนไทยกระโคตันเองการไถนะ่นั่นไถตลอดเป็นชุดเป็นชุดไปเลยมหาศาลมากมากป น, นรวยจริงๆไงฮะสมัยรัตการคนรวยรวยจริงๆ ร, รวยยังไม่น่าเชื่อแต่คนจนก็จนมหาศาลนั่นกันนะฮะอันนี้คือรูปโลกของโลกของวัตถุเป็นจารวาวาสเมืองไทยเรามันก็หมุนไม่ใช่โลกนะโลกเวรนี่มันก็หมุนกลับมาอยู่ตรงนี้ ซึ่งหมายความว่าต่อไปเนี่ยะจะแย่งวัตถุ ก, กันสงครามต่อไปจะเป็นสงครามทางเศรษฐกิจไม่ใช่สงครามอาวุธแต่จะเป็นสงครามเศรษฐกิจหรือจะแย่งกันแย่งครอบครองวัตถุแย่งทรัพยากรธรรมชาติแย่งรายตอนรียใหญ่แล้วความคิดเราน้มเอียงมาทางนี้ตลองตั้งเกตเราผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองบนเกาะมีการาวิพากในสภาพูดว่าตอนนี้ฮ่องกงจะไม่ใช่ฮ่องกงจะเป็นของจีนเมื่อตอน พออศ40 น, นั่นฮะ1940กี่เปียก็ให้ให้คนไทยในยเชิญเศรษฐีจีนฮ่องกงเนี่ยมาซื้อคอนโดมิเนียมบอกเต้อเขาซื้อได้แต่เพราะอากาศเข า, า, า, ขาดิ้นไม่ไดนะ้แต่เราก็ได้เงินจากเขานั่นคือความคิดเป็นวัตถุจัดแต่ โดยเราลืมไปว่าเขาเอาพ่อมาด้วยนะเอาลูกมาด้วยเอาครอบครัวมาทั้งหมดเลยถ้า เ, าเอารองเงินเข้ามาเนี่ยเข้ามาหมดแหละไอ้ตอนเขาเนี่ยไม่ได้ดินข้างบนจริงเกมไม่ได้อากาศก็ได้เฉพาะอากาศข้างบนจริงได้อากาศข้างบนจริงแต่ถึงลูกเนี่ยเขาได้นะแล้วเขาจะครอบงาสังคมไทยเพราะเขามามีเงินสังคมนี่ถูกกาหนดด้วยเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะผู้มีเงินจะมีอํานาจครอบงําสังคมแต่พวกนี้เขามาเป็นเศรษฐีก็ลอยมาเลยนะ เราไปเลยก็อยู่ครอบงำสังคมเหนือสังคมมาตลอดเลยคนไทยเราก็ต้องหนีเข้าป่าบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อไปความเป็นความคิดที่น่ากลัวนะครัามคิดแนวนี้ถ้ามองช่วงยาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับที่ทํานายปัจเจกเวท น, นี่เขาว่าไว้นั่นก็ว่ า, น า, วาคนจำวนหนึ่งเนี่จะจะเข้าป่าอะไรผู้ดีเดินเดินตรอกที่คลอกเลือนถน น, นอะไรแต่อะไรอย่างโบราณนว่า นั่นคือความคิดในวัตถุนิยมจะมองเฉพาะตัววัตถุที่ตัวเองจะได้จะไม่มองตรงอื่นแล้วทีนี้พอมองมากเข้าให้ความต้องกาแก่วัตถุมากเข้านั้นจะนึกถึงตัววัตถุโดยลืมแม้แต่ชีวิตตัวเองเพราะบางคนจะฆ่ากันเพื่อแย่งวัตถุเพื่อแย่งวัตถุอันนี้เคยเล่าเรื่องเรื่องเรื่องคนตีเวร้นกองเกวียนให้ฟังไงนะจะเห็นว่าความคิดตรงนี้จริงเลย น, นันแหละ เวาหุนเองท่านก็อยู่ในยุคปลนเปลือกรรมคุณเนะลองนึกดูทีพระพุทธเจ้าเองเจ้าชายติตะมีสนมเป็นหมื่นนะในวังมีสนมเป็นหมื่นเฉพาะสนมนะอย่างอื่นไม่นับแม่มีปราสาทสามปราสาทอยู่ในสามฤดูนะองค์เดียว่นะมีคนคนคนเดียวี่มีคนปลนเปลือยบมบุญบมลุงเป็นหมื่นๆเลยรวยกันขนาดไหนเงินทองใช้จ่ายไปแต่ละวันในใช้จ่าย นะก็เรียกว่าแต่พระพระปฏิสัพท่านไม่สยบติดแต่นั้นเองไงนะแต่สยบติดก็ไม่ได้ปวดอ่ะอันนพระราหูนกุก็ท่านก็อยู่ในตรงนั้นนะี่ยนะท่านกอยู่ตรงนั้นท่านก็เริญเติบโตมาทัางครังสี่เวลรอบแต่นั้นจะนอ้อยแเจ็ดแปดปีคนหนุ่มมาชักจะมันขึ้นมาเหมือนกันเพนะราะงั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องกลับมาสอนแต่การสอนเนี่ยเพื่อให้จิตมันวิ่งต่อนะเพื่อให้จิตวิ่งต่อเพราะตามปกติแล้วเนี่ย คนเราสามวัยนี่ชีวิตมันสัมพันธ์กับการความคิดเองนะสัมพันธ์กับการนะเมื่อเราโดยสรุปก็คือเราคิดไปด้วยความรักความตั้งแต่ยับสัมพันธ์กับการหมายความว่าคนที่มีอายุมากก็จะคิดเรื่องอดีตแต่ประรบเรื่องอดีะเพื่อเพลิเพลินเรื่องอดีตแล้วมักจะเล่าเรื่องอดีตนะพอคนเราเริ่มเล่าอดีตแสดงว่าเริ่มแก่แล้ว เพราะอเพราะาอาดีตน่าชื่นชมสาหรับท่านน้าคลายน่าปรารถนาหน้าพอใจเพลิดเพลินยินดีต้องการแต่ท่านเลือกหยิบมานะไม่เอามาทั้งหมดเอาเอาเลือกที่ท่านชอบชอบมาพูดที่ท่านไม่ชอบท่านปิดไว้ไม่เอาจริงๆถ้าเราจะเอาอาดีตทั้งหมดก็มาความเกิดมาใหม่เลยก็เรื่องมันจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะแต่เราไม่เอาตรงนั้นละฮะ แต่จะ เ, เอาตอนที่เป็นหนุ่มประสบความสมําเร็จเป็นหนุ่มเป็นสาวประสบความสำเร็จจะเรียนกหน้าเอามาคุยเนะฮะตอนนั้นเอามาคุยใหญ่เด็กมันเกิดไม่ทันเนี่ยเราคุยสบายมากเลยมดเทศไปบ้างไม่ว่าอะไรเด็กก็จับไม่ได้อีกแล้วงั้นคนแก่จึงเล่าวความหลังเป็นธรรมชาติของคนแก่แล้วก็เด็ ก, เ ด, กเด็กเนี่ยแ ก, กยังไม่มีอะไรอ่ฮะเด็กๆยังไม่มีอะไร เด็กๆจะมองอนาคตนะฮะจะมองอนาคตจะพูดถึงการศึกษาพูดถึงครูครองพูดถึงอะไรอไรพูดถึงการงานจะถามเรื่องอนาคตให้ดูหมอก็ถามอนาคตนะฮะเด็กคนนี้กําลังประสบความสําเร็จทำงานกําลังเจริญก้าวหน้าก็จะอยู่กับปัจจุบันก็จะเพลิดเพลิอนอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าจะใช้การทั้งสาวนะฮะใช้อดีตเป็นบทเรียนใช้ปัจจุบันเป็นฐานตั้งใช้มุ่งมั่นไปถึง อ, อนาคตนะก็ก็หมายความว่า คนเหล่านี้จึงได้จริงๆได้สิ่งที่เขาที่เขามุ่งหมายจริงๆเพราะว่าชีวิตเราอยู่ที่ปัจจุบันแต่ว่าใจใจที่กระสันอยากแหน่ลมเนี่ยพระเจ้าทรงทรงแสดงว่าชีวิตของคนที่มัวบ่นเพ้อถึงอดีตแล้วก็ฝขว่คว้าถึงอนาคตจะทําให้เวลามันหมดไปเพราะจริงๆเราทําอะไรไม่ได้ทั้งส อ, งอย่างชีวิตเราอยู่กับปัจจุบัน ธรรมะทั้งหมดจึงเป็นเรื่องปัจจุบันท่านเหว่ายิ่งกรรมฐานยิ่งปัจจุบันเลยต้องอยู่อย่างนั้นต้องอยู่กับอารมณ์นั้นๆไปแวบไปไม่ได้ถ้าแวบไปก็คือบทเรียนจะเอามาใช้ปัจจุบันพวกอนุสติมันก็มีอดีตนะฮะบนุสติเราจะเห็นว่าเป็นอดีตแต่เป็นอดีตที่น้อมนึกมาเพื่อจิตสงบอยู่กับปัจจุบันแล้วก็พัฒนาจิตใจของตัวเองในตัวปัจจุบันนั้น ตัเพื่อสอดคล้องลักษณะอารมณ์เป็นการสอนเนียปิดกั้นด้วยคือบล็อกเอาไว้ไปเดี๋ยวแกวิ่งเบีกฮะที่มีบอกว่าเราหู่นรูปนอดีก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีอาละสี่ทีนี้บล็อกไวหมดเห็นไหมอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีท่านอาจจะไปติดอยู่ตรงอดีตแต่อย่าลืมว่าทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันคือกันอยาบก็ดีละเอียดก็ดีรูปอยาบก็ตามรละเอียดก็ตามรูปเร็วก็ตามรูปหนี้ก็ตามอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามคือการคือกัน แต่ไม่ได้สอนว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นันตาน่าสังเกตนะะว่าไม่สอนเป็นเที่ยงโอว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นาันตา์สอนเลยไปเลยสอนเรื่องตัวกิเลสให้แก้เรื่องกิเลสว่าไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งเราไม่เป็น้ตัวตนของเรานะเหตุด้วยปัญญาชอบตามความจริงอย่างนี้ไอ้นี้ก็คือก็คือในส่วนของปริญญาแต่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าปัญหาที่ ที่ทรงเน้นในที่นี้มันก็มีอยู่สองตัวหรือหมายกับตัวหนึ่งคือตัววัตถุ ก, กรรมตัวหนึ่งก็คือคือตัวกิเลสตัววัตถุ ก, กรรมก็คือรูปเสียงกรินรนสนะฮนะออรูปเวทนาตัวยาตัณหาวิญญาณนะปัจจุปท า, านนะขันต์ปุ้งงีว้ว่าขันต์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทาให้ใจไขว้คว้าทําให้ใจเพลิดเพลินทาให้ใจโหยหาอะไรก็แล้วแะแต่นะ แต่เรื่องอดีตส่วนมากจะโหยหาอะไรอนาคตมันจะเป็นเรื่องขวายฟ้ากับสัญญาปัจจุบันมักจะเป็นเรื่องเพลิดเพลนในกรณีเดียนะฮะในกรณีดีตรงนี้พูดเน้นในตัววัตถุ ก, การมแต่อย่าลืมว่าตรงนี้ที่จริงมันก็พร้อมจะเกิดโทสะเราจรึงเห็นโทสะว่ามันมีได้ทั้งสามการเหมือนกันเป็นประรดคนไม่พอใจคน อาจจะประลบอดีตเลยเมื่อไหร่ก็ได้และอาจจะไม่ประลรบจะลบคนนั้นในเราสังเกตตอนกิเลสมันเลื่อยนะะมันเลื้อยเลยบางทีเอาโคตรง่ามาเลยพวกพม่าน200ะสองร้อยกว่าปีที่แล้วเคยเผากรุงศรีอยุธยามาเห็นหมันย้อนไปไกลลิบเลยไม่ได้ย้อนขนาดนั้นนะบางทีมันไปไกลกว่านั้นคือย้อนไปถึงประวัติศาสตร์ต้นวงศตระกูลตัวเอง แล้วก็กลายเป็นเรื่องพยาบาทได้เห็นไหมอดีตไปไกลมากมากกิเลสมันเลื้อยไปนะเอ็มมันเลื้อยไปเรื่อยๆมันไม่เลื้อยแบบงูมันเลื้อยแบบจิตแต่มไปเร็วมากหลยเพราะฉะนั้นไปปลูกมัดเอาไว้ว่าปวกปลูกโคตรง่าพวกเผาพันแล้ะเนี่ยเคยทาอันตรายต่อเราอันตรายต่อบรรพบุรุษเรานะไว้นอนเลยนอนเลยที่จริงไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่เราไปเชื่อมไปเฉย เคยทําอันตรายต่อเราหรือเคยทําอันตรายต่อบรรลุของเราหรือเคยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์คือกูลต่อศัตรูเราหรือต่อศัตรูของบรรลุเรานะฮะแล้วก็สาบไปไกลลิบเราดตูตัวอย่างการสู้รบระหว่างอารับกับอิสราเอลปรเลตัไยได้ชัดมากห้าพันกว่าปีนะแต่เราดูอันกุรานก่อนกุรานก็ดีดูโอลเทตเตมินก็ดีเนะี่ยพวกนี้ทะเลาะกันมาตั้งแต่โบราณก่อนโมเสสอีก แล้วไม่เคยหยุดถ้าเราดูประวัติศาสตร์เข า, เขาไม่เคยหยุดเลยตลอดกันนั่นคือแรงมายาบัตแสดงว่าสาวอดีตต่อไว้เรื่อยๆอย่าอย่านึกดูว่ามันเหมือนกับไฟที่เผาศพปิีแม่น้ําคงคานะไฟนั้นก่อนสมัยพุทธเจ้านะ่ะที่จุดอยูนี่มันไม่เคยดับเลยไม่เคยดับเลยต่อกันมาเรื่อยๆเผาศพอยู่ทุกวันทั่วนาตาปีเผาไว้แค่ั้นเะผาไว้ วันๆมันเรื่องกี่สักๆสะกี่โศกไฟก็อยู่ตรงนั้นเอาไฟตัวนั้นมาจุดเพราะฉะนนไฟนี้ไม่เคยดับเพราะอะไรเพราะมีเชื้อต่อกันมาเรื่อยๆไฟกิเลสมันก็แน่นแน่นทีนี้บางทีมันก็อาจจะมองในรูปของการจองเวรการต้องการทําลายล่างการต้องการจะปิดปากฮการกลัวคนนั้นจะเจริญก้าวหน้าอะไรอะไรเนี่ยมันก็ความพยายามมันก็ออกไปถู่อนาคตได้ บางทีนอกเรื่องไงนะฮะนอกเรื่องแต่ความคิดแนวนี้จะนอกเรื่องเป็นเรื่องแปลกๆไปมากเลยนะคือคือเราไปหลงตัวเราเอามากมากวันก่อนนี้เคยคุยระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์นะตอนนัาาา้นะแกไม่ชอบนะฮะที่มหาวิทยาลัายธรรมศาสตร์จะย้ายไปรังสิตจะนั่งคุยกันถามทำไมโอไม่ไหวนะแต่คุณนั้นโดนไฟนะ เดินทางลำบาก้ากเดินไกลมากมาก็ยอยู่กลางทุ่งด้วย <S 1> <S 1> แล้วเราจะทําไงตรมันตกเราแค่นี้เดียวมันเต็มไปแล้วรือว่าผมไม่เห็นด้วยอะผมเห็นด้วยผมไม่ชอบมไม่ไม่อยากไปที่เกศเดิอดางบอกอาจารย์เขาไม่ได้สร้างอาจารย์สอนตอนนั้นอาจารย์กเกษียณ<ส>แล้วเขาสร้างให้เด็กรุ่นใหม่เรียนอาจารย์รุ่นใหม่สอนอาจารย์รุ่นใหม่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะเด็กรุ่นใหม่ก็อยากมีนะอาจารย์รุ่นใหม่ก oh oh ็อยากมีอาจารย์ไม่ปฏิเสธทำไมอาจารย์ไม่กี่ปีเกษียแล้ว อันนี้เราลืมไปนะว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นฮเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเหมือนเราสวนลุมแมเพื่อนใช้ทั้งสามสิบปีอะ่ะเราตายไปกี่ปีแล้วก็ไม่รู้ต้องไม่ไปไกลขนาดนั้นเราคนรุ่นใหม่ก็มาดูแลมั่งที่บ้านเมืองอเราไปไปตั้งไปตั้งเยอะแยะริบๆอย่างนั้นก็เสร็จ อ, อันนี้ก็คือก็คือเรื่องเรื่องเราหลงตัวเราแต่แค่เราจะอยู่ถึงตรงนั้นจะอยู่รับเจ้าได้ตรงนั้นจริงๆไม่ใช่ฮะ เราไม่กี่วันตายแล้วแล้วพวกนี้ที่จริงทางการเมืองค่อนข้างเห็นได้ชัดนะะมันมีกําหนดปีอ่ะเนี่ยมันบอกวันกระตายวันตายอยู่ข้างหน้าเนี่ยวันตายอยู่ขในหน้าเนี่ยหมดวาระหรือขั้าสาจจการยังไงเนี่ยบอกวันเกษียณนะบอกวัเกษียณไว้แล้วก็กลายเข้าไปทุกวันเนี่ยมันมันเป็นเป็นเรื่องที่เกิดจากหลงตัวว่าเป็นของเราตัวต้นของเราเห็นหมฮะตรงเนี้ยที่มันตีมันเกิดเกิดปัญหามากมากเนี่ยมันเกิดจาก ตนแล้วก็หลงตัวตนเข้าใจว่าตัวตัวนี้จะยั่งยืนจะอยู่ตลอดไปการตายก็ตายอ่ะเราไม่คิดอ่ะเราไม่คิดนึกถึงเราเลยคนอื่นตายเราไม่ได้คิดถึงเราฮะมันน่าจะนีเ่เด็กนี่มันอ่อนกว่าเราเปนยังตายให้เราคงไม่กี่วันนะไม่ได้คิดอ่ะไม่เอามาคิดคิดอย่างนั้นขาดทุนจริงๆถ้าเราคิดเอาไว้เนี่ยนะฮะปัญหาเหล่านี้มันก็ไม่น่าจะค่อย่ อ, ยอะไรแรงอะไร แต่ว่าปกติเรื่องนี้ขนประมาทนะประมาทในวัยในชีวิตในความมีโรคประมาทดังนั้นพระเจ้าจึงสอนให้ดูว่าทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ของเราทั้งหมดเนี่ยเราจะเกิดความรักก็ตามความชังก็ตามมันไม่ใช่ศัตรูของเราเอาข้างนอกเลยอเอาข้างนอกเนี่ยก็ไม่ใช่ศัตรูของเราแล้วไม่ใช่ของเราคนที่เราโกรธเอาคาดก็ไม่ใช่ศัตรูของเราเราคิดเราเองนะ คนที่เรารักเราปรารถนาพอใจเราก็คิดเราเองแล้วก็ปักใจเอาเองมันไม่มีอะไรเลยอย่างน้อยที่สุด เ, เราจะเห็นว่าคําสอนในทางศาสนาสอนระดับบรรเทาของเราัต่เราสังเกตนะฮะบรรเทาของเราขนาดไหนบรรเทาตัณหาขนาดไหนตัณหาอย่าถึงกับไปล่วงเกินครับสินคนเก่นอย่าถึงกับไปทําลายสิทธินะคุมไว้ตรงนี้ก่อนอย่าไปถึงกันทาลายสิทธิเอา ของเราก็ของเราแต่ว่าของเขาก็ของเขานะถ้ามีของเราคุณต้องรับของเขาด้วยเห็นไหมฮะตรงนี้ที่จริงมีของเรามีของเราแต่คุณต้องรองรับของเขาด้วยเพื่ออะไรเพื่อไม่ล่วงเกินสิทธิของกันและกันมันก็กลายเป็นความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินเนี่นะฮะตัวเนี้ยฐานตรงเนี้ยที่ทที่เราวุ่นวายกันอยู่แบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นกระแสตันหา ที่เกิดไปกําหนดว่าของเราแล้วก็ล้าไปถึงของคนอื่นคนอื่นเอาไม่ได้เลยขโมยเลยะขโมยก็กลัวเจ้าของเขาไม่ยอมให้เลยฆ่าเจ้าของเลยจริงๆไม่มีอะไรคือของเรามันล้ามากเกินไปอยากเป็นของเรามากอยากได้เป็นของเราเนี่ยมากเกินไปจนออกมาในรูปทุจริตต่างๆแค่วันก่อนก็ไปอบรมข้าราชการนะฮะที่จะอําหรือตั้งข้อสังเกตเลยเขาบอกว่ามันหลงทาง กับรายการระดับระดับกลางไงนะฮะระดับกลางก็มีลูกน้องสี่สี่ห้าขึ้นไปสี่แปดลงมาแต่บอกว่าเบรนเนียบางทีเราหลงทางเราลืมไปวันนั้นไม่คือความไม่ถูกต้องสมมติว่าคนคนหนึ่งในทำงานดีรับใช้เมียคุณดีรับใช้คุณดีวันนึ้นก็มาอยู่ที่บ้านเช้าถึงเย็นถึงรุ่งปีขึ้นคุณให้สองขั้นนั่นแสดงคุณหลงตัวอย่างแรงมากเลย คุณนึกว่าคุณเป็นราชการที่จริงคุณเป็นทาสของราชการคุณไม่ใด้เป็นราชการคุณเป็นทาสเป็นข้าของราชการก็คือทาสของราชการคนทํางานเหล่านั้นเขาไม่ได้ทําให้แกราชการเขาทาให้คุณแต่คุณนึกว่าคุณเป็นราชการคุณก็นึกว่าไอคนนั้นะทําให้แกราชการแต่แล้วคุณก็บอกเป็นความดีความชอบคุณให้สองขั้นเอาเงินราชการมาให้ไม่ใช่เงินคุณเห็นไหมฮะเอาเงินราชการมาให้ จริงๆไม่ใช่เงินคนนะอันนี้คือหลงบุตรหลุดไ ป, ปหมดเลยเป็นการหลงทางตลอดคือหลงตัวเองนะเป็นอัตตาตัวเองนึกๆทำใบต่อมาตัวเองเป็นรเป็นราชการตัวเองเช่นราคาคือรัฐรัฐคือค่าอย่างนักโพลงนักโพเรียนอะไรแต่ไรเนี่ยที่ที่ที่ตั้นหลงตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นใครทําความดีกับท่านท่านก็ให้ถือว่ามีความดีความชอบในราชการผมไ ม, ไม่รู้ราชการมันอยู่ตรงไหนอันนี้คือคื อ, ค, อคือเรียกว่าตั้หามานะที่มันแรงเกินไป แรงเกินไปจนหลงหมดเลยความดีความชอบเหล่านั้นถ้าเราจะให้นะมันก็ให้ของเราแต่ที่จริงไม่ควรจะให้นะฮะเพราะเอาขาโมูลเวลาราชการไปทําประโยชน์ส่วนตัวเยอะมันน่าจะตัดเงินเดือนได้สักไปแต่พ่าเราหลงทางไงเราลงต่างเลยอะไรมันก็ผิดไปหมดเลยเสียส่วนตัวนี้พูดที่ไหนแล้วถูกทุกทีนะยิ่งข้าราชการระดับสูงยิ่งถูกเลยตรงน เพราะไปจิงจริงจรงเราหลงไปนะเราหลงไปเราลืม ไ, ไปคนใดเช้าถึงเย็นถึงประจบประแจงผู้ใหญ่บีบบีบนวดนวดดีเอาเลื่อนขึ้นไปให้เงินเดือนไปมันนะมันเราเนอะไม่ใช่ราชการเรามไม่ใช่ร า, ก า, รราชราการเรามันไม่มีเราโดยั้งไปนะแต่เราหลงเราจนกลายไปเราเป็นราชการหลงมากไปเพราะฉน้นแนวแนวกระแสหนาคือของเราอย่าทํำยังไงว่าคุณอ ย, าอย่าไขวยคว้าจนล่วงไปถึงกองเขาวนะ แล้วประการที่สองช่วงสองก็คือยอมรับทั้งของเราของเขาตรงนี้มีเรามีเขานะมีของเราแล้วก็มีของเขาด้วยระดับสีนี่มีของเราของเขาไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าคุณอย่าละเมิดของเขาแล้วของของคุณคุณก็ต้องหาทาง ห, หามาในทางที่ชอบที่ควรตัณหาคุณมีแต่คุณต้องกุมตัณหานะอย่าไปหาในทางที่ที่ไม่ถูกไม่ควรแต่ทีนี้เราเราเราสั่งไม่ได้ก็บอกไว้ บอกไว้เจนว่าขาโมยอย่างเงี้ยขโมยเราจะเห็นว่าเหมันมันตระหนามากไปแล้วไอ้นั้นไปลักไปปล้นไปขโมยชั้นมันตระหนามากไ ป, ไปล่วงเกินก็เขาแล้วนั่นแนหะแล้วเมื่อสิทธิในทางทับถิ่นของเขาผลประโยชน์ของเขาชื่อเสียงเกียรติคุณอะไรความดีของเขานันนั่น น, นั่นคือมากเกินไปนะฮะ ตอนนี้บางบางทีก็ไปเล่นเรื่องของกลางนี่เพชรซาอุนี่ออกมาปรากฏว่ามีตัวตั้งเกี่ยวข้องในอีกสิบกว่าคนในมั่วนะที่จริงเพชรซาอุเอามารู้บทลงโทษเแล้วมีคนมานั่งหล่าวฟังรายการตํารวจระดับนายพลนั่งหล่าวฟังฟังแล้วเสียวนะฮะถ้าถ้าเขาสืบถึงนี่ยุ่งกันจังฟังแล้วเสียวถ้าถ้าเรื่องนั้นจริงเลนะฮะฟังแล้วเสียวทีจรีงยก็ ปัจจุบันเรียกฟังแล้วหนาวฟังแล้วจะหนาวจานวนสบายไหมนะฟังแล้วจะหนาวเลยเพราะอะไรเพราะว่าความโลภเนี่ยมันล่วงไปจนถึงของกลางนะจริงๆตรงนี้มันของกลางเลยของกลางเนี่แตะไม่ได้เลยนะแต่เราล่วงไปยังโบราเนี่ยก็เรียกว่าทรัพย์ของศาสนากับราชการเรียกตกน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไหม เห็นไหมแต่ว่าถ้าเราร่วมไปตรงนี้แล้วอันตรายมากบาปกรรมก็แรงนะฮะปิดกฎหมายก็แรงแสดงอะไรแสดงตันหามันแรงความคว้ามาเพื่อเป็นของเรานีาารร้ไม่ดูตรรมาตันเรือไม่ดูความถูกความควรทีนี้พอมาถึงจุดหนึ่งก็คือเคารพ ก, กันแต่เราคงแสวงหาพระเจ้าก็สอนอยู่สองระดับนะการแสวงหาเนี่สอนสองระดับระดับหนึ่งเรียกว่าเรียกเหมือนกันนะฮะ แต่ระดับหนึ่งมักใช้คําว่าสมารชีบคือเลี้ยงชีพในทางที่ชอบไม่ควรา ม, มาอยู่ในกรอบของความถูกต้องกดตามกฎหมายศีลธรรมจารีบประเพณีนะฮะก็มีความประดิษฐ์ขึ้นไปได้เท่าไรกันตีคือทํายังไงประของเหล่านั้นเมื่อเรามาบริโภคใช้สอยไม่เกิดแหนงใจอะไม่ชอมองไปในตู้เล่าก็เล่าเาถือ่อนมองโทรทัศน์ก็หนีภาษีวิทยุก็หนีภาษีอะไรก็หนีภาษีทนั้นเองนะ แต่พวกนี้เป็นโรคจิตนะรู้สึกสง่ามากเลยถ้าทั้งตัวมีของหนีภาษีมากๆนี่สง่ามากเเอาไปอวดชาวบ้านค่ะเป็นอาการผิดปกติต่างจิตแล้วก็เมืองไทยมีเราเยอะนะฮะของหนีภสษีอย่างนั้นชอบมาอวดแสดงความเป็นคนเก่งนะสามารถหนีภาษีได้มันนมันมันมันมันมันมันแปลกมั้นแปลกว่าทํำยังไงเราจึงจะจึงจะพูดกันได้กันเด็กหลานเนี่ย วันก่อนไปไปวันซื่นเนี่ยฮะไปนครสวรรค์เดีวขึ้นไปดูบนยอดเขายอดอะไรเขาอะดาวันดึงอะไรก็ได้ไปดูเจดีไปดูโทารูปอะแล้วก็มีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายสคนเขาไปเสี่ยงเจมซีอะไรมาเดินถือถือถือเจมซีลงมานั่งซ้อนท้ายจักรยานเอามาก็นั่งรถตามลงมาปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุถือเจมซีอยู่นะมือยังถืออยู่นะ เกิดอุัติเหตุอย่งนึกสงสัยไอ้เทียมซีมันว่าอย่างไงมั่งไม่รู้แต่ว่าวโชคไม่ดีเด็กคนนี้จะเชื่อเทียมซีมากๆเลยทีนี้ถ้าเทียมซีบอกว่าให้ระมัดระวงังแล้วแกแกเกิดอุบัติเหตุแกจะเชื่อเทียมซีมากมาเพราะเทียมซีมีแต่ได้ไม่เสียถึงเกิดอุัติเหตุเนี่ยเพราะอะไรเพราะเด็กแกจะเชื่อนี่ดีนะเทียมซีไม่บอกไว้เราอาจจะแรงกว่านี้จะนึกคำๆ แล้วก็มาเมื่อวานเมือ่อเมื่อวานมาจาก น, นครพนมก็เจออย่างเงี้ยฮะเจอเจออุบัติเหตุเหมือนกันมอเตอร์ไซค์นะอันตรายมากๆเลยนี่เพราะเพราะอะไรเพราะว่าความความหลงตัวเองความอยากอยากดีอยากเด่ น, อ ย, นอยากชนะอยากอะไรตนะ่ออะไรเนี่ยจุดจ้าจุดจ้าไปก็นี้ก็ก็แสดงความเป็นของเราตกลงมาถนนก็เป็นของเราต้อไปต้อมาถนนมัน เป็นของเราเลยเอามาสิ้นมอเตอร์ไซค์แข่งกันได้เลยเห็นไหมฮมันมันมันมันมันหลงทางทั้งหมดการแสวงหาในช่วงการแสวงหาระดับแรกเราจะเห็นว่ามิจเว้นการแสวงหาในทางผิดเรียกว่ามิชาวาิชาเลี้ยงชีวิตในทางผิดอันนั้นระดับสินธารจันดานะระดับชาวบ้านแต่ว่าการค้าขายคุณก็ค้าก็ค้ า, าแต่อย่าถึงค้าสิ่งที่มันเป็นผิดเป็นไฟเป็นอันตราย ยาฆ่าอาวุธจะฆ่ายาพิษยาฆ่าสัตว์เป็นยาฆ่าค น, าาะนจะค่าอะไรต่ออะรดีฮะตึ่งตึ่งตึงแต่ละอย่างเรื่องมิจฉาบรรณิช า, ชาเป็นอาชีพที่สร้างความทุกข์ให้แก่คนอื่นัอื่นเราอาจจะได้อะไรนะแต่เราลองดูความคิดในแนวนี้เมื่อเช้านี่อ่านข่าวนักศึกษาเมืองนอกนะเดียรนอกรนะขายโคเคนเอาโคเคนข้ามาอายุ ก, ก็ยังน้อยยีแปดคนยี่ิบก้าคนผู้หญิงยี่ปดผู้ชายยีบ อนาคตยังไปอีกเล็บเลยนะฮะไปโดนโคเคนเข้าก็เข้าคุกพอดีเลยโคเคนมันก็ติดกลก้ใกๆกับคุกกันนะก็แปลงเป็นคุกได้อยู่แล้วโคเคนอันนี้ก็คือค อ, อะไรก็คือว่าเจอโลภมากเกินไปไม่ใช่มีปัญหาทางเศรษฐกิจมันมีปัญหาทางอารมณ์คือคุมความอยากไม่อยู่แล้วก็อยากมันล้นออกไปเจอถึงก็ไปละเมิดกฎหมายเจตอตมาค้าขายมีความรู้นะฮะพวกนี้เใช้สุดจริงก็ขี้เกียจ ร, รวยแล้ว แต่ว่าบัญญัติความอยากมากเราจะเห็นว่าการะแสตันคําสอนศาสนาจึงลดตันหาจนถึงจุดหนึ่งนี่ทรงทรงชช้คําว่าอริยะประเยสนาแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ประเสริฐโดยโดยธรรมะก็คือแสวงหาบุญกุศลที่ติดตัวนะความดีที่ติดตัวแต่อย่าไปติดใจคาว่าทานมากเกินไปนะเรามักจะไปพูดเรื่องทานอาจจะพูดง่ายนะคนไทยชอบกินเลี้ยงเลยพูดเรื่องทานเนี่พูดง่าย และจริงๆแล้วเนี่ยการแสวงหาความดีทั้งหลายเนี่ยมันน่าจะมองไปที่ทานมองไปที่อภิญยทานเนี่ยมากกว่านะเพราะว่าเราจะไม่ไปเก็บกดอารมณ์ความเครียดแค้นจริงชังอาฆาตพยาบาทหรือว่ามองไปที่ธรรมทานนะฮะการให้เหตุผลการสนทนาการชี้แจงการกล่าวธรรมะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮส่วนวัตถุทานถ้ามีความสามารถก็ทำไม่มีความสามารถก็แล้วแต่นะ แต่ว่าการการกระทำเนี่ยมันมันอะไรล่ะคือมันเป็นเป็นเหตุเป็นผลอย่างที่ทรงแสดงให้ข้าวเป็นการให้กําลังให้ยาเป็นกันให้ความสุขให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพรรณให้ไปที่เป็นการให้ดวงตาให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างเห็นไหมว่าคนเราบางทีมันมีจุดจุดบกพร่องจุดบกพร่องอย่างนึกถึงพระอรหันต์รูปหนึ่งที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินข้าวอิ่มท้อง อย่างอื่นท่านดีหมดแต่เสียนิดเดียวไม่เคยให้ทานเลยในชีวิตของท่านในสังสารวัฏไม่เคยให้อะไรแก่ใครเลยแต่ว่าสติปัญญาดีนะสติปัญญาดีบรรลุมะผลเป็นปลาหาันบรรลุศีลพระสาดีบุตรวันจะนาธิปานบรรดาริบุนนรตรต้องบินตบาดมาให้แล้วนั่งถือบาตรให้ลูกศิษย์ฉันนั่งถือบาตรไปให้ท่านก็ไม่กล้าฉัานะอุปชานั้งถือให้ทั้งหมดฉันเถอะ อันนี้นฉันด้วยบุญเขาฉันไม่ใช่ฉันด้วยบุญเธอถ้าบุญเธอนีิไม่ไม่มีให้ฉันฉันในอิมตีจันทนนิพาแล้วไออิแต่ตคัมอันนี้ก็คือก็คือว่ า, าแสดงถึงถึงว่าสิ่งเหล่านี้เข้ามาตามเหตุปัจจัยของเขามาตามเหตุตามปัจจัยของเข า, า, า, เยข อ, เขาอย่างว่าภาษาพระศรีวลีอย่างเงี้ยฮะท่านร่ํารวยในเรื่องาาาราักราเยอะไปไหนพระเดินตามท่านนี่รวยหมดเลยนะคนมาตักบาท่านแล้วับ ไฟก็ปกักลงสีตามไปเลยเท่าไราก็ได้นะฮะอะไรก็ได้นคนจะมาเลยมันก็เป็นเรื่องแปลกนะเรืแปลกแล้วเราก็เราดูว่าความเจริญในด้านนี้คนเราจึงมีจุดเด่นไม่เหมือนกันไม่มีใครที่พร้อมนะฮะไม่มีใครที่พร้อมเพราะจริงๆเราทําบุญมาไม่พร้อมหรอกแล้วก็มีจุดบกพร่องนะจุดดีจุดเด่นของบุคคลเหล่านั้นอย่างที่เคยเล่าพระพุทธเจ้าที่เสด็จไปเยี่ยมพระเรวตัตสัมเนธเรวัตะน้องชายภาษาดีบุตรในป่าไม้ตะเคียนะ มันมีทางลัดกับทางอ้อมทางลัดเนี่ยถึงเร็วแต่ว่าไม่ค่อยมีบ้านคนพระไปกันสี่ห้าร้อยนี่ลำบากหน่อยเดี๋ยทางอ้อมเนี่คนเยอะเสียเวลานานพระนุนกราบทูลถามจะไปทางไหนภูเจ้าถามมาศิวลีไปด้วยเปล่าบอกว่าศิวลีไปด้วยไปทั้งตรงอาศัยบุญศิวลีเขาศิวลีเป็นเป็นเป็นโต้โบใหญ่เลยหมามว่ า, าท่านไปแล้ว พระพุทธเจ้าสู้ไม่ได้นะเรื่องเรื่องนี้พระพุทธเจ้าสู้ประสิวลีไม่ได้นะไม่ใช่เล่นๆนะคนลาบสัการะมหาศาลนักๆไปที่ไหนคนแห่กันมาใกล้ๆไปเทวดาไปบอกอะไรก็ไม่รู้กคนแห่กันมาในรูปปรีสิวลีมาแล้วแห่กันมาอยากจะทำบุญกับท่านทําบุญอยากถวายทานกับท่านเป็นคนที่มีาบารมีในด้านนี้แต่ประเด็นสาคัญไม่จะต้องมากนะให้เจตนานดีนะฮะเจตนานดีให้สิ่งได้มาบริสุทธิ์ แล้วก็รักษาความรู้สึกตรงนี้เอาไว้นะฮะอย่าให้เกิดเสียดายกันแล้วกันให้เกิดเสียดายของที่บริจาคไปแล้วทีนี้ตันหาเหล่านี้เราก็ลดไปเรื่อยๆ เ, เราจะเห็นว่ามันก็อยู่ถึงจุดหนึ่งเราสแสวงหาเพราะตันหาเนี่ยมั น, ม, นมันกิเลสระเภทส่งนะมันก็จะโอดแพ็เถิดนะมันต้องยิงขึ้นไปเลยแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ะนะนั่นเหรอะมันยิงเพื่อนแล้วมันก็ลงล่าง ก็เรียกกิเลสประเภทส่งอาศัยตันหาละตันหาตันหาจึงเหมือนกับเรือเหมือนกับยานพาหนะเหมือนเครื่องบินเราต้องอาศัยเขาอาศัยไม่ไม่อาศัยมันมีแรงส่งแต่ว่าต้องทิ้งตันหานะเราอาศัยเครื่องบินแต่เสร็จแล้วพอถึงจุดฐานที่เราต้องลงจากเครื่องบินนะันั่งติดเครื่องบินก็ไม่ได้เรือก็เหมือนกันไอ้พวกนี้ท่านจึงบอกอาศัยตันหาละตันหาอาศัยเขาแต่ว่าต้องทิ้งเขานะฮะ เฉั้นตรงนี้ความเราจะเห็นว่าเราก็ควา ม, มาเพื่อของเราแต่ของเรามันจะดีขึ้นเรื่อยๆเลยตัววัตถุนั้นแทนที่จะเป็นวัตถุกรรมซึ่งต้องยืแ้แยกมันก็กลายเป็นกุณธรรมมันเป็นบุญเป็นกุศลก็ถามมตนะมาตัญห า, หาเป็นธรรมตัญหานะเป็นความอยากความใคร่ความพอใจความอยากมีธรรมะเหล่านั้นอาศัยก็ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าละตัญหาได้ขาดมีพระอาหารหันต์นั่นเองเราก็อาศัยก็ไปเรื่อยๆแต่อย่าแรง นะอย่าแรงเพราะงั้นเตรงนี้ถึงแม้จะไม่ไปตัดกระแสตันหาแต่ว่าทํายังไงบำมองว่าอย่าถึงกับคว้าจนผิดกฎหมายไม่มีอะไรก็ให้เคารพสิทธิในของกันอะรกันอยู่ตรงนี้ก็บุญโขแล้วนะฮะอยู่ตรงนี้นี่บุญโขแล้วสังคมนี่จะดีขึ้นแยะเลยถ้ามาอยู่ตรงนี้ได้นะฮะเราไม่ต้องเอาถึงก็ไปนิพพานะเอาตรงเนี้ยเอาตรงนี้ให้ได้ ก็ตอนนี้เขาเรียกร้องสันติภาพโลกอยู่นะพรุ่งนี้นี่เขาได้มโนมาไปพูดไปปาตกราเรื่องท่านพุทธทาสกับสันติภาพโลกพระพูดอย่างไงกันตัวเฉลย์ประชานเมื่อช้านี่มาสันติภาพโลกอีกแล้วเชิญไปสัมมนาที่จุฬาสันติภาพโลกมอนกันเก่งจริงแต่ในภาพโลกทําไม่ได้เราพูดไปอย่า ง, งานั้นเพราะพระพุทธเจ้ายัางทําให้ได้เลยสันติภาพโลกใครจะไปทําได้พูดโกโก้ไปอย่างนั้นเอง ใครจะทำสันนิภาพโลกได้คืนทําก็เหมือนกับเปรตจัดคนนอนเหมืุสาลานั่นแหละทําไม่ได้เราลดความรุนแรงในโลกมได้นะฮะสันนิภาพในโลกคือขันธโลกนี่ทําได้คนแต่ละคนนี่ทําได้นะฮะแต่โลกที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกนี่เราทาไม่ได้ขันธโลกแต่ละคนทําได้พระเจ้าก็สอนเป็นเป็นอรหันต์เป็นพ ร, ร, ระหันไปเยอะแยะไปหมดเนั่นก็ทําได้ในทัวรส่วนปัจเจกชนแต่ละคน แต่ท่านเหล่านั้นก็จะช่วยคนอื่นสงบได้จํานวนหนึ่งมันไม่จะทําได้ทั้งหมดเนี่ยนะผู้เจ้าก็สร้างสันติภาพได้ในยุคสมัยของพระองค์แต่ที่จริงคนก็เบียดเบียนมันทีเรื่องพระเกกะอยู่เยอะไปในวัดมันก็จะว่าอย่างไงล่ะสงบก็สงบได้แต่ว่าให้หมดมันไม่ได้เพราะฉั้นพูดสันติภาพโลกที่จริงมันพูดเบ่งมากไปหน่อยนะเบ่งมากไปเพาะทำไม่ได้คือแว่ามันมันก็มองสันติสุข สันติธรรมให้เกิดขึ้นภายในโลกคือขันนี้อายตนาโลกทําไมตามันสงบอย่าอยากดูในเรื่องที่ไม่ดูหูมันจะสงบอย่าอยากฟังในเรื่องที่ไม่น่าฟังสงบลิ้นจะบ่อยอยากกินของแพงๆมากเกินไปนะฮะสงบจมูกเสียบ้างอย่าอยากมีของหอมมากเกินไปก็เป็นทาตเศรษฐกิจเยอะเอาขนาดนี้สงบตรงนี้นะก็เรียกขันด้โล ก, กอายตนาโลกโลกนะฮะพระพุทธเจ้าเรียกโลกนนะเราเนี่ย เรียกรวมรมาสัตว์ตะวัโลกเรียกย่อยว่าขันทะโลกอายตนะโลกธาตุโลกนะอย่างที่สอนพระพระราหุลเนี่ยก็คือสอนทั้งขันทะโลกทั้งธาตุโลกโลกอย่างนี้ละได้ฮะสกุลกายตัวเนี้ยโลกแต่ว่าโลกจริงๆไม่ได้หรอกไม่มนุษย์ไหนทําได้แล้วไม่เคยทําได้ด้วยนะฮะเพราะอะไรวะมันโลกมันก็เป็นก็มันอย่างเงี้ยถ้าถ้าจะให้สงบมันต้องไปพรมโลกมันมีพรมโลกสงบ แต่ถ้าโลกมนุษย์แล้วมัน ม, มีทางเนะี่ยลดความรุนแรงได้ก็บุญแล้วนะความรุนแรงได้ก็บุญแล้วอันนี้เพราะอะไรเพราะว่ากระแสโลกเนี่ยมันไหลไปตามกระแสตันหาไหลไปตามกระแสตันหาในเมื่อโลกของวัตถุอย่างนี้แล้วยิ่งไปใหญ่เลยวัตถุมันมีจํากัดตันหามันไม่จํากัดตอนนี้ก็ขี้เกียจจะยื้อแย่งนะฮะยื้อแย่งที่ดินกันอย่างเดียวเนี้ก็สะบัดสร้อมแล้ว แย่งอานาจกันอีกแย่งที่ดินแย่งอํานาจแย่งคู่ครองกันแย่งความเป็นใหญ่แย่งยศววมันก็แย่งกันหมดเลยเราจะเห็นว่าข่าวมันกระแสตัณหาในข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์เป็นกระแสตัณหาที่มันไหลทะลักล้นท่วมลงไปจนในนี้มีอาการทางจิตประสาทกลัวว่าการรักษาฟันจะเป็นเหตุให้เกิดโรคเอชเอ๊ลก็มันเรไหวกันใหญ่เลยนะเป็นอาการทางจิตประสาทแล้วอย่างนี้เครียดหมดละ แก้วน้ําก็แก้วน้ํานี้ปลอดปลอดเองไปเจอโร ง, งแรมบางกอกปลาเละเก่อนตามมาแก้วไกลก็บอกแก้วกรมประชาตรงครอบบอกแหมอการหนักขนาดนั้นจะได้เหรอามันติดกันง่ายอย่างเง้ยติดทั้งแก้วน้ําด้วยจะเลยไอ่เอนี่ยคือคือคือสแสดงอาการประสาทแล้วมันคอดไปทางไปทางวิตกกังวลมากเครียดมากกลัวไปหมดเลยไป พ, พ้นสติปัญญากันก่ อ, อนไปเพราะอะไรเพราะว่ากระแสตัณหาที่มันไหล แล้วไม่หลอ่อไม่ยอมชะลอมันไม่ยอมหยุดมันตอนนี้โรณรง์ทุกแขกไปเนี่ยเมื่อวานก็บอกไอ้พระที่นครพนมเมืม่อวานหนะ้าร้อยะบอกว่าไปบอกญาติโยมบอกไม่ต้องกลัวโรคเอสดูรักษาสินข้อที่สามข้อที่ห้าได้รักษาไม่ข้อห้าข้อก็เอาขอข้อสามกับข้อห้าได้ไม่ต้องกลัวโรคเอสดีเวลาอย่าสุขภาพจิตว่าเราทํามาคิดไปโรคเอสน่ากลัวน้อยกว่าโรคหวัดเลยครัไปคนคุมตัวเองได้เนี่ยน่ากลัวน้อยกว่าโรคหวัดอ่ะเฮ้ยยังไงหวัดมันรำคาญจะตาย ตกฝนน่อยก็เป็นหวัดที่แอร์เย็นหน่อยก็เป็นหวัดอากาศอ้าวหน่อยก็เป็นวัดโลกเอตมันมันมันชัดมากมากแล้วมันเรียกอะไรมันตั้หาเห็นไหมะตั้นหากระแสของตั้นหาที่แกไม่ยอมหยุดตรงนี้ไม่ยอมหยุดตรงนี้ไอ้ผลตรงนั้นมันก็เกิดก็เท่านั้นเองกนไม่มีอะไรเพราะฉนั้นเกิดอะไรเกิต้องการเป็นของเราของเราของเราของเราเนี่ยเลยพามั่วหมดเลยพามั่วหมดนี่คือแรง พุทเจ้าก็สอนมันมันเกิดจากมองอะไร ค, คุณจะต้องต้องกมองที่เห็นรูปเห็นไหม <c oughs> เหมือนเดิม ว, ว่ามองรูปเนี่ยว่าเป็นของเราแล้วคว้ามาเพื่อเป็นของเราความผิดความถูกตรงเนี้ยที่มันมีปัญหาตรื่องคว้าผิดความถูกเนี่ยเพื่อเป็นของเราของเราไป่ได้อาจจะคว้าอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามเอาจากส่วนใหญ่วันนี้ก็คว้าปัจจุบันนั่นนะฮะดังนั้นก็คือกระแสตัรรณหาจึงส อ, สอนระดับลดทีนี้ต่อไปเนี่ยเป็นเราเนี่ย เป็นเราหรือเราเป็นเราไม่ได้เป็นเราเป็นสมมตุติเราจะเห็นว่าระดับหนึ่งอย่าหลงสมมุติเท่านั้นเองอยหลงสมมติก็คล้ายๆกับอาการทางจิตที่มีใครนะาไ อ, ไ, อไอ้ดาราที่แสดงในไอโฟนแพตตันน่ะเดี๋ยวนี้นะฮะแกยังเป็นใอโฟนแพทตันเนี่ยเขบอกอาการทางจิตมากวันวันดีคืนดีก็สวมชุดไอโพนแพทตันเดินสวนสนามบึมบึมบึมในบ้านเองมันใหญ่เลยละครหลงโร เป็นละครหลงโลกอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเท่าเลยนะจะมาไปแก้ปัญหาให้เขาเป็นคนนี้แสดงเป็นเจ้าหญิงแสนวีติดเจ้าไม่ใช่จามาจามาเทวีพนางจามาเทวีเป็นนั่งนางจามาเทวีหลายครั้งแกหลงตัวเองเป็นพนางจามาเทวีนะฮะผัวก็เป็นเสนาเลยพ <laughs> นางก็นั่งพระเก้าอี้พระบรรจการพระสวามีในฐานะเสนาเลยมั่วหมดบ้าน มั่วหมดในบ้านเนี่ยก็พยายามแนะนําที่แจ้งให้แล้วแก้ได้นะแก้ได้หลังเขาก็ยกครอบครัวทั้งครอบครัวมามากรอบขุดแก้ปัญหาภายในครอบครัวได้มันหลงอะะอันนี้คือคือเราไม่ได้เป็นเราถูกแสดงเพียงไม่กี่ก็ไม่กี่ชั่วโมงไงนะฮะแสดงแสดงแต่แสดงหลายครั้งนะฮะแสดงหลายครั้งหลายฉากหลายตอนก็เหมือนละครเอละครบลอดเวรอะไรก็แสดงเป็นปีๆนะบางทีมันก็เองก็หลงเลย นี่คือคือลักษณะของเราเมานะมรณะนี่ไปคิดว่าเราเป็นทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นเราเป็นจึงเราเป็นสมมติทีนี้ถ้าสมมติเป็นนะเข้าใจว่าสมมติตรงนี้สมมติก็เล่นให้ดีตีบทให้แตกก็เล่นให้ดีที่สุดกี่นาทีไม่รู้ทำให้ดีที่สุดนั่นคือประสบความสาเร็จคือโลกแต่ว่าถ้าเราหลงความเป็นนะหลงความเป็นในที่สุดมันก็มนถึงที่ว่านีย เราเป็นรัดๆเป็นเราเราเป็นห ม, มาเป็นอะไหรห ม, มาอะไเป็นเราเลยมั่วหมดเลยทีเนี้ยเพราะเราเป็นมากเกินไปเป็นจนเข้าใจว่าเราเราต้องเป็นอย่างนั้นคือพบกับราชการผู้ใหญ่คนหนึ่งระดับนายพลนี่ยนะนายพลพลตำรวจโทพลโ ท, โ, ทโอ้โหแสดงเบิกบานชื่นชมยินดีมากที่เกษียณนนะียแต่หน้าตาเนี่ยมันมันคว้าเวบดเลยนะตาไม่มีแววของความหวังอะไรเลยเก ย, ยพูดอย่างนั้นเองอะ แต่ว่าตาเนี่มันฟองนะแกอยู่ไม่ถึงเดือนตายเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ที่แกเคยเป็นเนี่แกไม่ได้เป็นะมาเจอบ้านก็เจอมีเมียมีอเอี่ยแก่ๆ แ, แล้วด้วยนะตัวเองก็หกสิบมีอก็หกสิบแกอยู่กัน้องตาสองแก่สองคนแก่จนตัวมันเซ็งหมดเลยไอ้ลูกน้องที่เคยมาเคยต้อนรับเคยเดินหน้าแล้วหลังมันหายไปห ม, มดเลยท่านหลงว่าท่านเป็นจริงเพราะในการเตรียมตัวก่อนไปเสียเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญ ถ้าการหลังจะเสียเนี่ยเป็นโรคจิจะเยอะเลยมันปังเลยนะวันที่หนึ่งตุลานั่งเหงาอยู่ที่บ้า น, นเน่ยนวันที่สามสิบกันยายนยังยืดไม่รู้เรื่องอยู่เนี่ยเพราะวันที่หนึ่งตุลาหล่นตุ๊บลงไปเลยปรับไม่ได้เทวดาตกสวรรค์นเนี่ยกลายเป็นเทวดาตกสวรรด์เลยเพลงเลยมั่วเลยเพรา ะ, ะนั้นตรงนี้ยมันเกิดจากหลงความเป็นเห่น ไ, ไหมหลงความเป็นก็ยึดติดในความเป็น แต่ความเป็นเราจะเห็นว่าพระอระหันต์นั่นก็เป็นะนะฮะคุยว่าก็มอบหมายทํางานหน้าที่อย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นแต่ถ้าก็ไปยึดมั่นในความเป็นเพียงแต่ว่าทําหน้าที่ที่รับรับมอบหมายดีที่สุดเท่านั้นเองจะ ก, กี่วันสองวันสามวันไม่รู้ทําให้ดีที่สุดจบก็คือจบเพราะแนวบทเรียนตรงนี้คือแนวการหนังละครเดี๋่เขาแสดงนะพ ว, พวกดาราอะไรต่อะไรเขาแสดงที่เขายังยืนอยู่ได้เพราะเขาเข้าใจว่าตรงนี้คือการแสดง เขาไม่ได้แสดงนะเขาเรียกว่าทํางานร่วมกันก็พูดดีนะก็จะกันมาทํางานร่วมกันเออทํางานร่วมกันข้าวกันได้ช่วยเหลือกันดูแลเอาใจใส่กันโอ้แสดงแล้วก็เป็นนายเป็นอะไรเอะไรก็เอาจิงไงนะพอจบฉากนั้นก็มานั่งคุยกันต่อก็ไม่มีอะไรเพราะตรงนู้นจริงมันแสดงไมันสมมติเอาเฉยๆก็ทํางานร่วมกันนี่ถูกมากใช้คมนะใช้กันมาทํางานด้วยกันทํางานร่วมกันได้ การเป็นนั้นจึงเป็นเรื่องสมมตุติตรงนี้ที่จริงเจาะลึกไปจนถึงถอนมานะนะฮะแต่ว่าเราเรามองระดับศีลธรรมจัรยาว่าเราอยหลงเป็นเก็เยอะแล้วอยหลงว่าเราตรงนี้ยังว่ท่านทั้งหลายเนี่ยตรงนี้ก็สมมติเป็นผู้ฝังอข้ามาก็สมมุติเป็นผู้พูดปเดี๋ยวสองสามนาทีหมดลนะะบทบาทตรงนี้หมดแล้วแล้วก็แสดงบทบาทจะอื่นกันต่อไปก็แล้วแต่ใครนะฮะจะได้มาเตยว่าตรงนั้นเป็นอี่ดีแล้วกัน ไม่ใช่ว่าพอามาพูดโยพูดด้วยเลยมั่วกันหมดเลยไม่รู้ใครพูดหรือว่าโยมม า, มาถุงดีมอนมาพูดแล้วมานั่งเฉยโยมเลยคุยกันจ้อเลยหรือไม่รู้กขาทาอะไรกันงานนี้ไม่รู้มีงานอะไรกันเพราะอะไรเพราะว่าไม่ทําตามที่เราเป็นใช่ไหมแต่ถ้าเราทําตามที่เราเป็นหน้าที่ที่ถูกสมมติขึ้นแต่ละค่าแต่ละการแสดงให้ดีจบการแสดงก็คือจบการแสดงอย่าไปหลงอย่าไปหลงยึดติดในการเป็นเท่านั้น แน่นอนถ้าเราเข้าใจในจุดจุดนี้นะเราจะยอมรับนับถือคนอื่นว่าคนอื่นจริงๆเนี่ยเขาก็เป็นถูกสมมติได้เป็นเหมือนกั น, นะบางทีก็ทําหน้าที่ของเราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างเช่นเช่นว่าเราทําผิดญาติพี่น้องเป็นตารวจจับเราเข้าใจนะว่าถ้าเราเป็นตํำรวจเราก็ต้องจับเพราะไม่ได้จับญาติแต่จับคนทําผิดกฎหมายเท่านั้นเอง จะคนทําผิดซึ่งถึงถึงเขาก็ต้องทําตามหน้าที่เขาเมื่อวานในมีลูกศิษย์ผู้อาษาเขาตามรัตําส่งอยู่นะมานั่งคุยกันก่อนจะขึ้นเรื่องสองตรงตามคนตามไปไงเราไปตัดสินประหารคนบ้างเรามันบอกว่าสามคาดีแล้วก็เสียวๆอยู่เป็นกันนะฮะแต่บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปประหารจริงอะก็ตัดสินไปอย่างนั้น จริงๆแล้วคือเขาทำหน้าที่เขากฎหมายมันบงังคับไปเขาพูดอย่างนั้นนะว่าทำนี้นี่นี่หนึ่งสองสามกฎหมายเขาว่าทำอย่างนี้นเขาก็ต้อง ต, ตัดสินไปตามกฎหมายมาตรานั้นมาตราหน้าก็บังคับไว้แต่ว่าใจเราไม่ได้ไปคิดจะให้เขาตายจริงคิดจะเกณฑ์ฆ่าเขาเพราะไม่ได้อาศัยความโกรธนั่นคือเครียดกับเป็นๆเราไม่หลงไม่ยึดไม่ติดในสมมติตอนนั้นนี่ก็เป็นตอนหนึ่งน ะ, นะมาคิดว่าประโยคนี้คงจะพูดสักสามครั้งนะฮะสามครั้งหรือสามสามสี่ครั้งเพราะว่ามีมีข้อความสําคัญ อาวันนี้ก็ข อ, อยิตใจไว้ด้วยเวลาถึงตอนนี้ที่สุดพี้ขอความเจริญงอองงามไพ่ปูนให้ทำจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันทุกท่าน